เมื่อทั้งสองได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวะพัด ส, สัมมาเนนุยและสั ม, มเนนเสียงก็ไม่ลืมความตั้งใจที่มีมาตั้งแต่แรกพวกเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะจนมีความรู้ถึงระดับที่เรียกว่าก้าวหน้าไปกว่าสั ม, มาเนรูปอื่นๆซึ่งเคยบับพพระชามาพร้อมกันผลจากความตั้งใจจริงของเขาทั้งสองนี้ก็ยังความปราบปลื้มใจมาให้ท่านเจ้าอาวาสแล้วก็โยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างมาก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 การศึกษาธรรมะของสัมมาเนนทั้งสองในระยะหลังมานี่มักจะไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเหมือนแต่ก่อนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเขาหันมาสนใจเวทมนต์คาถาซึ่งมีพระครูช่วงที่อยู่กุฏิท้ายวัดเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทั้งสั ม, มาเนนนยและสัมมาเนนเสี่ยงใช้เวลาเกือบทั้งวันในการไปคลุกคลีอยู่กับพระครูช่วงพวกเขาใช้เวลาวันวันให้หมดไป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 ความไม่ชอบมาภาคนของสามเณรทั้งสองรูปอยู่ในสายตาของท่านเจ้าอาวาสมาโดยตลอดครั้นท่านเล็งเห็นว่าถ้าหากขืนปล่อยให้สามเณรทั้งสองผวักไปแต่พวกเดรช า, ชาวิชายอยู่อย่างนี้ทั้งสองก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นแสงแห่งธรรมะแน่นอนท่านก็เลยตัดสินใจเรียกทั้งสามเณรนุ่ยและสามเณรเสียงเข้าพบที่กุฏิของท่านหลังจากเสร็จสิ้นการทาวัดเย็นในตอนใกล้ค่าของวันหนึ่ง การที่ท่านจะอาว่าเรียกสา ม, มเณรทั้งสองเข้าพบท่านไม่ได้ดุดาถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีของสา ม, ม, มเณรทั้งสองแต่ประการใดท่านเพียงแต่เตือนสติแล้วก็ให้ข้อคิดว่าขอให้ทั้งสองตั้งสติแล้วก็พึงระลึกให้ดีว่าการเข้ามาบวชเรียนที่วัดเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ระหว่างจะเอาวิชาความรู้ไปเป็นบันไดเพื่อก้าวย่างสู่ลาบยศสารเสริญ หรือว่าจะเอาวิชาความรู้ปูไปเป็นถนนอันจะนำไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากวังวนของโลกใบนี้คำพูดคำกล่าวตักเตือนของท่านจเจ้าอาวาสสา ม, มเณรทั้งสองก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปสามเณรเสีมม่ยงซึ่งมีนิสัยรักสงบใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลก็เห็นดีด้วยกับการที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาธรรมะต่อไป แต่ความคิดของสัมเนีเสี่ยงตรงกันข้ามกับสัมเนีนุยผู้มีนิสัยกล้าได้กล้าเสี่ยงชอบชีวิตโลดผุและใจร้อนสัมเนีนุยถามความเห็นของเพื่อนขณะกําลังเดินทางกลับกุติที่พักว่าเออแล้วคุณจะเอาอยัางไงอ่ะคุณยังต้องการจะเรียนวิชากับพระครูต่อหรือว่าจะเชื่อคําพูดของท่านเจ้าวาดซึ่งคําถามของสัมเนีนุยทําให้สัมเนีเสี่ยงใช้ความคิดเป็นอย่างมาก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 ว่าเรานเป็นเพื่อนรักกันสามเณรเสี่ยงกล่าวอย่างจริงใจซึ่งพอสิ้นคําพูดของสามเณรเสียงสามเณรนุยน้ยก็ได้แต่พยักหน้าอย่างเข้าใจสามเณรทั้งสองอยังอยู่ในวัดเรื่อยมาจนอายุครบ20ปีก็เปลี่ยนสถานะจากสามเณรมาเป็นภิกษุสงฆ์ตามกฎของาศาสนาพุทธและเมื่อทั้งสองมีอายุย่างเข้าวัยสากว่าพระภิกษุเสี่ยงก็สอบป ร, ริญญาเจ็ดได้ แล้วก็มีบรรดาศักด์เป็นถึงพระมหามีตำแหน่งในวัดคือเป็นเลขานุ ก, การของท่านจเจ้าวาดส่วนทางด้านพระภิกษุน้ยเพื่อนรักเนี่ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะยังเป็นแค่พระลูกวัดอยู่เท่านั้นเองการที่พระภิกษุนุ้ยไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแบบเดียวกับพระภิกษุรูปอื่นมันทำให้ท่านเกิดความท้อใจและเหนื่อยนายแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ท่านก็เปยนพระที่มีชื่อเสียงทางด้านเวทมนต์คาถาต่าง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 ท่านพอท่านผล่หน้าออกไปเพื่อต้องการจะรู้ถึงการมาเยือนของแขกท่านก็ต้องพบว่าความแปลกใจเพราะว่าอาคารตุกกรายนี้ท่านไม่เคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนเลยเอา้าวมีอะไรหระโยมมาร้องเรียกอาตมาทําไมอ่ะวอ้าวๆ้ า, าขึ้นมาบนกุฏิก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังมหาเสียงก็เชืเชิญชวนแขกคนนี้อย่างจริงใจแม้ว่าท่านจะไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ท่านก็มั่นใจว่าคนที่มาหาท่านในยามนี้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 เวลาจะกินยังต้องมีคนป้อนข้าวให้ซึ่งตอนนี้คนที่ดูแลอาจารย์อยู่ก็เป็นลูกศิษย์ของแกบางคนที่ยังเคารพแกอยู่นั่นแหละคนแปลกหน้าคนนั้นอยู่คุยกับมหาเซียงใพักใหญ่ก็ขอตัวลากลับแต่ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นกุฏิไปนั่นเองเหมือนว่าท่านมหาเซี่ยงจะฉุกคิดอะไรได้บางอย่างท่านก็ร้องให้คนแปลกหน้าในะหยุดสักครู่หนึ่งเออโยมโยมเออตอนนี้อาจารย์นุยของโยมนะเขารักษาตัวอยู่ที่ไหนอะ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 ท่านมหาเสี้ยงก็รู้ได้ทันทีว่าบ้านหลังนี้คงจะเป็นเคหาสถานของเพื่อนรักอย่างแน่นอนเพราะว่าสันนิฐานเอาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบริเวณบ้านซึ่งท่านมหาเสี้ยงคุ้นเคยกับมันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ยังไม่ทันที่ท่านมหาจะได้ลงจากรถความรู้สึกบางอย่างก็บอกกับท่านว่าเกิดความไม่ชอบมาผากลขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วท่านมหาก้าวเข้าไปในบ้านด้วยความร้อนรนแม้ว่าตัวของท่านจะไม่มีคาถาคมที่เกี่ยงการอะไร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 พอลุกขึ้นได้มันชักมีดสุยขึ้นมากระชับมือไม่พูดพร่าทําเพลงล่ะพุ่งปลายมีดเข้าหาตํารวจเรวคนนั้นอย่างไม่สะทกสถานปากมันก็บอกว่าคนอย่างพวกมึงหลวงเลี้ยงเสียข้าวสุกไปนรกซะเถอะพวกมึงระยะประชิดอย่างนั้นหลบไม่พ้นหรอกตํารวจเร็วคนเหนียวไก่สาลสามนัดเข้าที่ท้องของเจ้าเหนือจนไส้ออกมากอง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 ที่นี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับคนแก่ๆเนี่ยมักจะลืมโน่ลืมนี่ออกจากบ้านแต่ละทีนี่ไม่ได้ออกอย่างสะดวกคล่องใจปิดน้ำและยังปิดไฟเปล่าพัดลมละ่ะปิดแล้ยังโอ้สารพัดอย่างยายเตี้ยคนที่หมู่บ้านแกไม่คุ้นเคยกับความเจริญที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกเมื่อก่อนนี้แกอยู่กระแสงตะเกียง น้ำบ่อน้ำคลองหุงข้าวโดวยเตาไฟไม้ฟืนแต่ว่าเดียเ๋ยวนี้ลูกหลานมันซื้อเตาแก๊สมาใช้มีถังแก๊สมาตั้งติดไฟทีมันดังพรึบเยเตีย้ยตกใจนึกว่ามันจะระเบิดเพนเอามานอกครัวแล้วเขาก็พูดก็บอกถ้าใช้ไม่ดีเกิดแก๊สรั่วนี่มันตูมตามบ้านช่องพังชิปเหงวายว้วอนหมดไฟลุกท่วมเผาผลานนะดีไม่ดีตายนะโอ้ยเยเตีย้ยยิ่งกลัวใหญ่ แกไม่อยากจะไปหยิบไปจับมันเข้าเลยแกบอกว่าใช้ฟืนดีวพาใช้ฟืนอย่างเก่าว่าดีแล้วแต่เด็กๆมันก็บอกย้ายไม่ทันสมัยซะเลยไม่มีใครเขาใช้แล้วปืนมันใช้หุงข้าวใช้หม้อไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าในยายเตี่ยเขาไปฟังวะน้ําเปียกมือเปียกเนี่ไฟจะดูดเอาจนแกไม่อยากจะหุงข้าวต้มแกงไอ้พวกมันกินกันแล้ว แกแกก็แก่แต่แกก็ยังไม่อยากตายแกว่างั้นเยยเตี้ยแกบ่นอยู่เสมอแต่แกก็เข้าครัวทุกวันตื่นน้ำมึดหุงช้าอ่าถุงหุงข้าวต้มแกงใส่บาทพระแกเป็นคนใจบุญสุนทานเพื่อนบ้างก็ไม่รู้จะช่วยก็ได้ยังไงก็ได้แต่บอกแกบอกทํำๆไปเถอะระวังระวังเอาหน่อยก็แล้วกันอย่าหลงหลงลืมลืมไปมันมากแล้วเดี๋ยวไฟฟืนมันจะดูดตายวันหนึ่งเป็นวันศาสตร์ศาตร์ไทย ยายเตีย๋ยแกก็พาร่างเตี๋ยของแกออกจากบ้านแล้วก็เกิดนึกได้ว่าลืมปิดพัดลมแกไม่ได้เปิดเองหลานสาวมันเปิดแล้วมันก็ออกจากบ้านไปไม่ได้ปิดอ่ะแกก็เพิ่งจะนึกได้ตอนที่เดินออกมาจากบ้านห่างตั้งหลาย1ิก้าวแล้วแกก็บอกกับยายเอี้ยงพวกกันที่ไปด้วยกันเนี่ยจะไปฟังเทศที่วัดบอกกับยายเอี้ยงเดินล่วงหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวจกะกระย่องก็แย่งกลับไปปิดพัดลมที่บ้านก่อนว่าอย่างนั้น ยายเอี้ยงก็บอกเดี๋ยวแกจะนั่งหลบแดดรออยู่ใต้ร่มมะม่วงเนี่ยไม่ไปก่อนนะอ่ารออยู่ตรงเนี้ยอยู่หน้าบ้านตลาดนั่นแหละยายเตี้ยก็เลยรีบกลับไปบ้านยายเอี้ยงรอพักใหญ่ยายเตี้ยเขายังไม่โผล่嘛ยายเอี้ยงก็ชักจะรอไม่ไหวก็เลยสั่งคนแถวนั้นเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวบอกยายเตี้ยเลยบอกแกไปวัดก่อนแล้วนะถ้ายายเตี้ยมาถามหาก็บอกด้วยบอกแกไปแล้วไปวัดแล้ว ยายเอี้ยงไปถึงวัดไปนั่งฟังเทศอยู่ตั้งนานสองนานก็ไม่เห็นยญ่เตีย้ยไม่มีไม่มีแม้แต่งเงาแกไม่ได้มายายเอี้ยงก็ชะเง้อ ม, มองหาก็ไม่เห็นเอ๊หายไปไหนยังไงกันนี่แกก็เลยใช้เด็กวัดไปดูยญยเตี้ยที่บ้านกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปไอเด็กมันก็ห่วงเล่นไม่มีใครอยากจะไปแกต้องให้ตังค์มันซื้อขนมกินให้มันหบาทมันถึงไปยอมยอมไปดูให้ พักใหญ่มันก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับมาบอกหน้าตาตื่นเสียงระล่ําละลักบอกยายยายยายเตี้ยตายแล้วอ้าวตายแล้วทําไมตายอ่ะโดนไฟดูดคนเขากาลังดูคนเต็มบ้านเลยที่ยายเตี้ยตายเพราะปลั๊กพัดลมไฟมันรัว่วแล้วมือยายเตี้ยก็เปียกๆด้วยแก ค, คงจะล้างมือแล้วขึ้นไปบนเรือนเนี่ยไปดึงปลัก๊กหรือว่ามืออาจจะเปียกเพราะว่าตักน้ําล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนหรืออะไรสักอย่างนะเขาว่าอย่างนั้นยายเตี้ยโดนไฟดูดตาย ใจแกห่วงจะไปฟังเทศประโฏดปรพอตายแล้วมีคนเห็นพระเนนในวัดเห็นเด็กวัดก็กลัวเพราะว่ากลางคืนจะเห็นเงาดำตะคุ่มนั่งพนมมืออยู่หน้าธารรมะที่แรกก็ไม่คิดกันว่าเป็นผีเยี่ยเตียตอนหลังถึงเชื่อว่าใช่ว่าผีมาฟังเทศเพราะก่อนแกจะตายในะตอนนั้นแกตั้งใจจะไปฟังเทศ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 ท่านก็นอนไม่หลับจำวัดหลับหลั บ, ลบตื่นตืนอยู่ตั้งหลายคืนก็คอยแต่นึกว่ายายเตี้ยเนี่ยนั่งพนมมืออยู่บนศาลาเนี่ยวันเวลาล่วงเลยไปยเกือบจะสองวันพระร่างดำตะคุ่มเนี่ยก็ยังนั่งพนมมืออยู่ที่หน้าธรรมานะตกดึกคืนหนึ่งพระเนนลูกศิษย์วัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศดังมาจากศาลามืดๆ ม, มาวัดส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวน มีร่างดำตะคุ่มตะคุ่มนั่งพนมมือหมอบอยู่หน้าธรรมาตบนสลาสงบนิ่งตามประษาคนแก่คนที่เห็นก็รู้ร่างเยี่ยเตี้ยแน่ๆหลวงพ่อเทศจบกันแล้วร่างนั้นก็ก้มกราบเราหายไปหลวงพ่อก็ลงจากธรรมาตลงจากสลากลับขึ้นกุฏินับแต่วันนั้น